ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำมรับวันนี้ก็มาพกบกัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรเป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่ตาชูชกแกจับสองกุ ม, มารไปแล้วแล้วก็พอพระเวสสันดรให้แทนที่แกจะเอาใจ กลับเอาปากไปกัดทวัรมาผูกมือแล้วจูกระชากลากไปอาโหดสมมารด้วยไม้เรียวยังไม่ปราณีเมื่อกันหาได้ชาลีเห็นตาจูชกเป็นลมหลุดมือก็วิ่งมาหาพระเวสันดอนขอร้องพระเบสันดอนน้ำตาก็ตกในตอนนี้ตาจูชกเข้าใม่ทีก็จุกระชากลากไปตียังไม่ปราณีปราใส ตอนนี้ก็มากล่าวถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรไม่ได้ทอดกันเนตถึสองกุามารถูกกระชากลากพระโมตีไปต่อหน้าพระไทยแันสองเข้ามาอง ค, อง ค, องค์ก็ปวดร้าวแทบจะพินาศจึงได้เรียกเสด็จไปเข้าไปในบรรณาล า, <c oughs> ร, าร่งก็ทรงปฏิเวณาคือเสียใจทั้งสองกามารพระองค์ทรงรลึกเห็นภาพที่แดนสอง ลูกทั้งสองจะต้องประสบกับความทุกยากลำบากมีทุกขเวทนาในการเดินทางเช่นหนึ่งต้องเดินเท้าเปล่าสองต้องหิวโหวยในเวลาอาหารใน้่าสามยังถูกตะพรามเคี่ยนตีอย่างใจร้ายทารุณทำให้พระองค์รู้สึกเกิดโกรธแค้นและทรงนำนดำเนต่อไปว่าเออกูจะถีท่านโนดันเนปเประแสง ต, ตามไป เอารูปขึ้นมาทิจากพรามตามใจร้ายให้ได้ตัดทิ้นใจตอนนี้ชักมหโหตีลูกก็บาบากตีแก จ, จะตีหมาแสงใจเจ้าตีบ่าวเกรงใจนายนี่ตีลูกหญิงลูกชายไม่เคยจะไม่เค ย, เ, คยเกรงใจพอ่อให้ก็ให้ใครๆก็ทำให้ยามใจในการไปชดเพ็าะนั้นรู้ว่าแต่เทว่า พระองค์ก็มากำหนดจิตคิดกลับพระไทยคิดกลับประไท ย, ไทยหวนึกก็มันได้ว่าเอ๊ะทุกที่โลกถูกเคียนตีน่ะไม่ใช่เหตุสำคัญการที่บริจาคทานไม่สาเร็จต่างหากเป็นเครื่องสำคัญที่สุดซึ่งเวลานี้เขาก็เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่ากับนายเขาจะทำกันยังไงกัในในเรื่องของเขา แต่เราที่ให้ทานไปอย่างนี้เราตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณเราไม่ควรที่พยายามไปําเร็จโทษคือไปฆ่ามันเขาให้ตายแล้วมันไม่การไม่สมควรตอนนี้ชัดเด้งหน้าเด้งหลังเพราะว่าทำไมเป็นพระเวสสันดรเป็นสมัยที่มีบารมีครบจะครบในชาตินั้นแต่ได้ว่าอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระราห์ เป็นนันว่าก็เห็เนี้ยส่งยับย่างที่เรียกส่งดำรต่อไปว่าเราบำเพ็ญทานมหาบริจาคค่าบระการคือหนึ่งทรัพย์สองอวัยวะสามชีวิตสี่บทห้าปัญญาไม่สาเร็จเราก็จะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะต้องพยายามเสียสละให้ถึงที่สุดให้จงได้ที่ตอนนั้นใครไปสอนท่านเนาะ นั่มีจันนั้นแล้วก็ทสงตัดพระทยให้จินดีในทานในการบริจาคบทที่ทรงทําลงไปแล้วความพิโรธกอดแข้งก็ระงับดับไปเหมือนกับไฟหมดเชื้อฉะนั้นนี่ในตอนนี้บางท่านเขาบอกว่าเ้าไว่สนดอนเห็นตัวเขาวินี้ใช้กันลูกจะไปลำบากยากแค้นยังงก็ช่างเถอะ แต่นั่นเป็นเรื่องทันโลปีวิสัยแต่กำลังใจของคนที่ะทำประโยชน์ใหญ่คือเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนขอท่านโบนี้ก็ต้องเป็นอาชาริยาชนไม่ใช่นคนธรรมดาจะต้องเสียสละทุกอย่างตามจริยาแต่ทว่าอย่าลืมว่าสองกุ ม, มานี้ถูกเคี่ยนถูกตีนัมีโทษมาใน ก, ก่อนคือกรรมนี่มันสนอง ไม่ใช่ว่าโชกชกอยู่ดีๆแกก็ร้ายฟังเรื่องท่านไปก่อนสองบินน้องมาถูกรางอยู่ชกพาไปโดยรีบด่วนเพื่อย้าห่างไกลาจากพ น, นางมาสีที่จะได้ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นแกจริงเร่งไม่เรียวไม่ขดาดยะสองกุมารก็แสนจะเจ็บเจ็บปวดสนั่นรานทั่วทั่วกายวิ่งพรางร้องไห้พราง ทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งหิวก็หิวภาชารีจึนต่จะนองว่าเด็กผู้ใดกําพร้าพ่อแต่ยังมีแม่ก็หาได้ที่ว่ากําพร้าไม่เด็กผู้ใดกําพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับไม่เป็นคนที่ไม่กําพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะมีพ่อก็เหมือนเ อ, อ, อะไรนะแต่เด็ก แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกําพร้าทั้งพ่อและทั้งแม่เพราะามีพ่อไม่เหมือนกับมีแม่ว่าไปดิท่าบอกว่าทั้งเหนื่อยก็นื่ยร้องก็ร้องหิวก็หิวพระชารียินตากําน้องว่าเด็กผู้ใดกําพร้าพ่อแต่ว่ายังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่าเป็นคนกําพร้าไม่เพราะแม่เนี่ยประคบปรงมดี แต่ว่าเด็กพูนใดกําพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกําพร้าทั้งพ่อและก็ทั้งแม่เพราะว่ามีพ่อก็เหมือนไม่มีแม่มีพ่อก็ไม่เหมือนมีแม่กเว่าะงั้นเพราะาพ่อนะ่ยโดยมากมันเกสนใจถ้าว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ว่าเพราะว่าท่านมีพ่อแต่ว่าพ่อให้ใช้ให้กระโชกโชไป นันกเลยนึกว่าพ่อนี่ไม่มีความหมายสำหรับกัญหานั่นก็ทรงันแสงมากเพราะว่าเป็นเด็กกัญหานี่เป็นน้องเป็นเด็กผู้หญิงเดินพรางวิ่งพรางร้องไห้พรางเฝ้าจะเรียกหาแม่ธุริยะเมื่อเวลาใกล้คาก็ยิ่งอยาทรงรำพันมากขึ้นเพราะว่าเคยเห็นแม่กลับมาจากป่า อาผลไม้ที่มีรสดีมาส่งให้และประทานป่านชนีคิดว่าพระแม่เจ้าจะหินงไขการเดินทางมาในวันนั้นยังไม่ทันจะพ้นประตูเขาวงกฏไปก็เป็นเวลาพอดีพบค่ำในกลางป่า น, นั่นเองแต่กล่าวว่าในตอนนี้จบการโชชกแต่ว่าจบการโชชกแต่เรื่องของโชชกนี่ยังไม่จบ เมื่อเรื่องก้อนละวางชูชกกับสมุ ม, มานนี่ไม่จบถ้าจะเลยจากตอนนี้ไปกระดุมใจยุ่งอันนี้ที่มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่มีความสงสัยว่าทำไมหนอกระเวศสันดอนเกินได้ให้สมุมานตึงท่าท่าคนชูชก ตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระเวสสันดรปราถนาพระโพธิยานการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งต้องให้บททิมดาเป็นทานสองให้พัญญาเป็นทานถ้ามิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตังว่าเรื่องใหญ่ท่านบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะ เรื่องใหญ่ที่คนจะเป็นพระเจ้าได้จะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งต้องบริจาคทรัพย์เป็นทานสองบริจาคอวัยวะเป็นทานนี้พระเวสสันดรยคอทำมาแล้วสามบริจาคชีวิตเป็นทานนี่เคยเมื่อสมัยเป็นหล่อพระงพงบรมพงศ ו โพ์กษัตว์ก็ถูกเทวทัตคือชูชก่นใจเป็นพระราชา คิดว่าท่านโกรธไหมตอนนั่งถือคันติบรมีบอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมบอกก็ไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธตัดขาซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรตตัดขาขวาถามว่าโกรธไหมก็ตอบว่าไม่โกรธนี่ตัดกลางตัวถามว่าโกรธไหมตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ตอบว่าไม่โกรธไม่ไม่ต้องตอบ นี่เป็นอันว่าคนที่จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ยังจะต้องบริจราครูปันทานใม่เมียปันทานอีกคือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นระเบียบของการปรารถนาพระโพธิญาณถ้าทําอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ขึ้นชื่อว่าการใกล้ที่จะบรรลุอภิเศษ ส, สมบัติรรมาตมโพธิญาณนั้นยังไม่ถึง แต่นี้ก็มาต้องมาคิดกันเร็วทงกดความเป็นจริงว่าสองกุมาณในกนารหาและชาลีท่านเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเมื่อเห็นโชชกเข้ามาใหม่ๆท่านก็วิ่งออกไปต้อนรับด้วยดียกมือยกมือไหว้เคาะเคาะไหว้เป็นอย่างดีเี่ว่ต้อ้งอบรมมาดีแล้วแต่ว่าทำยังไงผู้โชชกใจแกล้ว แกจึงได้ปราศจากความเมตตาปราณีแต่จะว่าถึงเหตุมันก็ยังข่มขู่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าไปอยู่กับเราก็อย่าท่านลงตัวถือตัวว่าเป็นว่าเป็นลูกกษัตริย์ในเมื่อเป็นลูกกษัตริย์ก็อย่าว่าไม่ได้อย่าทำเบ่งเป็นกรณีพิเศษอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าผูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถูก ที่ว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราว่าเด็กดีวาจาอ่อนหวานมีความเคารพนกบนอบถ้าตามปกติแล้วคนที่เห็นได้พบจะมีแต่ความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าชูชกพาะจอมโหหิตจกทำอย่างนี้เพราะอะไรต้องหวนกลับไปนาดีตชาติเหตุที่เป็นอย่างนี้มันไม่สมควรในเวลานี้เลย หน่ท่านมาชูชกมาเพราะกันหาชาลีออกไปยกมวยไหวคนตาเจ้าคะคนตาเจ้าขาเชยงตาเา ข, าตาข้าไปหาบามาทำไมธุระอะไรหรือพระราชบิดาอยู่ที่นโน่นพูดจาปราศัยก็เรียบร้อยทุกอย่างแสดงความเคารพเด็กก็กำลังน่ารักทำไมชูชกกิใจไรต้องถอยหลังไป แต่งกล่าวว่าชาติอันในอดีตเป็ชาติชาติหนึ่งสองวมานคือกันหายได้ชาลีเป็นลูกคนชาวนาชาวนานี้อาจจะเป็นท่านพระเวสสันดรกับท่านมัตสีเป็นพ่อก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้บอกชื่อแล้วก็ท่านก็มาได้กลับชาติไปฟังเพราะเป็นการฟัง เป็นการได้มาจากก้อสูตรไม่ใช่ได้มาจากชาดกแต่บอกว่าสองคนก็เป็นเด็กเล็กแบบนี้พ่อแม่เป็นชาวนานี่ลาที่หวานข้าวกล้าขึ้นเขียวเอ้เจ้าควายแก่ตัวหนึ่งมันก็ไม่กินข้าวเด็กสองคนที่เฝ้าอยู่ก็ต้องไล่ออกไปไล่ไปแล้วพ่อแม่ก็เฝ้าข้าวข้าว ข, ข, ข้าวกลา้า ให้เข้ากลานี่คฆ่าวิ ว, วานไว้เพอขึ้นต้นจะนําไปดําต่อไปได้วันไล่ไปแล้วว่าเผลอเจ้าป้ายแก่ก็มากินใหม่พ่อแม่ก็ดูเด็กว่าไม่ระวังรักษาทรัพย์สินเจ้าแก่นี่ก็มากินแบบนี้ทุกวันวันก็นไหลเที่ยวเผลอมอะไรก็กินมันนั้นต่อมาวันหนึ่งสองพี่น้อง จะไม่คิดกันว่าเจ้าควายแก่ตัวนี้มันอ ป, ปรีจริงๆเราถูกด่าเราถูกตีก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวสําคัญ <c oughs> เป็นอันว่าเจ้าแก่ตัวสําคัญนี่แหละมันสร้างความยุ่งฉะนั้นเพื่อป้องกันความยุ่งในการต่อไปไล่มันก็แล้วตีมันก็แล้วมันก็ไม่คิด พรุ่งนี้ถ้าจะควายแก่ตัวนี้มันมาเมื่อไหรสองคนพี่น้องเราช่วยกันนะจับมันผูกกับต้นไม้เอาไม้เรียวหนมามัดไปให้มันหนำใจแล้วก็ไล่มันไปมันจะได้ไม่มาเป็นว่าพอรุ่งขึ้นอีวันเจ้าแก่ก็มาตามเดิมเ <c oughs> มื่อมาแล้วสองพี่น้องก็จัดการตามระเบียบตีซะจนหนำใจ แล้วปล่อยควายแก่ไปเจ้าควายแก่มันก็เหตุไม่มาอีกนี่และบรรดาท่านพุทธมริษัทเหตุที่ไม่สมควรจะพึงมีขึ้นคือชูชกไม่น่าจะโหดร้ายก็กลายเป็นคนโหดร้ายกับสันสางระมาณเพราะทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวนั้นไม่กลับชาติมาเกิดเป็นชูชก แล้เด็กลูกชาวนาสองคนก็กลับชาติมาเกิดเป็นสองกุมายคือกัญหากับชาลีเมื่อกฎกุ้งกรมมันมาประสานเข้าอย่างนี้ทั้งทั้งที่กันหาและชาลีควได้รับความปราณีจากชูชกแต่ชูชกก็กลับมัดแล้วก็ตีเช่นเดียวกับสมัยที่เขาเป็นควายแก่โทกตีเช่นั้น อารเราเ็นาชี่ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมันหนีกันไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร ท, ไทําไมท่านทั้งสองนี้จึงเป็นอย่างนั้นก็โปรดทราบว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้ต้องถอยหลังกลับชาติกันไปไมันยังจะรู้เรื่อง <c oughs> เพื่อไม่เปลืองเวลาตอนนี้ขอขึ้นกันมาสี่ต่อไป ตามเพิ่มบาลีงว่ามาการที่พระเวสสันนดรทรงบริจาคบทปิยบทบทที่รักทั้งสองแก่โชว์โชว์นั้นนับว่าเป็นประวัติศาสตร์กันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสามัญชนคนใดเยู่งกระทำได้ง่ายนักจริงเลยทำให้เกิดการโการา โ, โกลาหนไปถึงสมโลกไอโกลาหนให้ยี่ยวุ่นวานย ไปถึงพรหมโลกด้วยเทวดาในในราบป่าหิมมวันเทวดาอะไรเทวดาเสียกไปอยู่ป่ายเาทวดาทุกชั้นนะแล้วตลอดจนทั้งทั้งลูกกับเทวดาได้สดับเสียงรำพันของอุ ม, มาอย่างสองแล้วก็สงสารอ๋อโกราขนวุ่นวายมหมายความพรหมก็วุ่นอากาศสุเทวดาก็วุ่น ลุกเทวดากะวุ่นพระพุทธเทวดาวุ่นหรือเปล่าถ้าเทวดาวุ่นเทวดานในพันบุนเทวดาในพันกะวุ่นเทวดาในร้อยกะวุ่นเทวดาในสิบกะวุ่นพอเทวดาที่เป็นพระพเทวดาเป็นเทวดาพผนหารก็เลยวุ่นมากกว่าเขาหน่อยก็จะวิ่งกับพุทพลานไปอันนี้ไปแยกว่าไปขัดคอผ้าอะไรที่แล้วนะเขาว่าเทวดาไม่มี ไอ้เชียงเขาเขาเป็นสาวกของผู้นาชีวกเขไม่มีเทวดาเพราะพระติาจาว่ามีถ้าแกใครเป็นสาวกเขาองค์สมเด็จปัญจนาสีก็ต้องบอกมีเทวดาบรรดาเทวินด า, นดารับพรทั้งหมดจึงภาษากันว่าถ้าพระนางมัตสีกับพระถึงอาศมแต่อย่างวันน้อยแนย่วุ่นแต่วุ่นยันไม่ใช่วุ่นโวยถ้าพระนางมัตสีกับพระถึงอาศรมแต่ยังวัน ยังไม่เห็นเมื่อไม่เห็นสงฆ์มาก็อย่าส่งถามเมื่อได้สันดับความก็จะสะเด็ดวิ่งลิ่นแล่งวิ่งเล่นโลดโกรดไปด้วยความอะไรในรักบุตรทั้งสองเป็นกำลังก็น่าจะพึงสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจึงตกลงมอบหน้าที่เทพบุตรสามอง แปลงเป็นเพศเป็นราชสีบ้างเสือโคร่งแล้วก็เสือเหลืองอ่ะโถเอ้ยเอาเสักอย่างเดียวก็พอแล้วดันล่อได้สามอย่างสามเทวดาเทวดาราชสีเทวดาเสือโครง่งเทวดาเสือเหลืองไปกั้นหนทางที่วันนานจะเสะด็จกลับไว้จนกว่าเวลาจะพรบคาจึงให้หลีกทางให้เมื่อวันนางจะเสะด็จกลับไปได้ด้วยแสงจันทร์ ก็รู้ว่ามันเป็นไงและให้เทวดาลังสามนั่นคอยรักขายยาให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นแกพระ น, นางในระหว่างทางได้เด็ขาดเอาในวันนั้นเปนท่านจะบอกวันนั้นตั้งแต่จากอสมมาพระ น, นางมัสีเมียไทยหวาดภระวาอยู่ไม่ขาดระยะก็ฝันร้ายฮนะ เปนนาทรงเชี่วความฝันว่า น, นั่นเป็นฝันได้จริงไดยรีบขวนขวายหาผลไม้เพื่อจะได้รีบกลับเทวัน <c oughs> แต่ก็วันนั้นทั้งวันมันมีนมอาเพศต่างๆนา น, นานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแกล้งไม่ได้แกล้งจะสนับสนุนพระเวสสันดรให้สองอุ ม, มาณเป็นทานให้รูปเป็นทานเป็นนั้นว่า มันมีดาเพ่แตต่างๆัหนึ่งเสียงก่าหลุดอยาประหัสไปซะบ้างการเช่าก็เลื่อนหลุดจนจากจากบ่าบ้างเทเนทเบื้องขวามองไปขเขมนอยู่เล็กๆลกๆลก ๆ, ๆมันเต็มต้นไม้ที่มีผลก็กลับไม่มีผลอากาศมันก็มืดคึมไปทั้งทั่วทั้งทิศคนนางก็ทรงพลานจิต เริ่มบิดในประไทยว่านี่เหตุเชนไหนเนาในการก่อนก็ไม่เผยเป็นอย่างนี้วันนี้ไปเรื่องประหลัดนักฉลอจะมีเหตุใครแก่เราหรือไม่แก่กระสงขุ ม, มาณหรือไม่เช่นั้นก็แก่พระราจสวามีจริงหันไปพักมุ่งหน้าจะกลับมาสมพันก็ะทอดเป็นเนธห็นสัตว์รายทั้งสาม ขวางอยู่ใน้นทางเน่มาแล้วเสือเทวดาสิงทีทวดาพอพร็นางเสด็จเข้าไปใกล้ก็ลุกขึ้นสบัดขนยังน่ากลัวเฮ้มันจะกัดแท้แครเปนานจงจะหลีกลับไปทางอื่นก็ไปไม่ได้เพราะทางข้างซ้ายก็มีสะขวางก็มีเบืงกัน้นข้างขวาก็มีเบืงกัน้นข้างซ้ายก็มีสะขวาง มีอยู่ทางเดียวที่จะไปได้ที่สัตว์ทั้งมขวางอยู่เพระนานยิ่งคิดก็ยิ่งนึกถึงพระราชบแตรพระราชสวามีเป็นกำลังย <c oughs> ิงกล่าวว่าป่านนี้ขจยหิวโหวยคอยหาเพราะเวลาบันถิงในที่สุดวันนานก็นั่งลงยกประหัตแตงสองเครื่องบรรทาไหว้บรรทาไหว้ แล้วก็ตัดว่าข้าแต่พระยาเมขราชสามตัวข้านี้เป็นสตรีที่ตั้งหน้าตังต้งตาหาเลี้ยงสา ม, มีและพระราชโอรสพระราชธิดาโดยสุจริตธรรมนี่เคยได้กระทำความผิดเรื่องมาตรการใดให้เสียหน้าที่เลยขอท่านพยายพยาเสือครง พญาราชสีพญาเสือครึ่งพญาเสือเหลืองสามเสือขอจมเปิดทาง้แกเข้าไปเจ้าเดินไปเถิดข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งผลไม้ที่หามาได้ในวันนี้แกท่า น, น, นสามครึ่งหนึ่งเ อ, อ้นี่คนลงโจนตัวขึ้นมาทีสติเ็เสียไปได้เป็นกันเพราะความกลัว ท่านยาผลไม้แบ่งให้กันได้เสอสีก็เสียเหลืองเสือโครงไอเสือก็จะเสียสไม่กินผลไม้ที่ไหนก็ ว, ว่ากันเท่าที่มีเป็นนั้นว่าเทวันดาทจ้งสามท่านมองดูเวลาเสือปลอมพอได้กำหนดรู้ว่าเป็นเวลาที่ควรจะเปิดทางให้นายนางได้แล้วก็ลุกเหล็กไปคืนวันนั้นเป็นวันโอโบสด พระจันทร์ทรงตดเต็มดวงสว่างสวยพานนายก็รีบนมาไม่ได้ช้าพอถึงบริเวณอาสมก็เริ่มแปลกพระไทยที่ไม่เห็นพระราชบุตรทั้งสองดังแต่ก่อนเที่ยวดูรอบบริเวณก็เงียบเหงาแม้ได้เสียงลูกกาก็ไม่ปรากฏได้ยินฉลอยลูกรักของแม่ของแม่จะหายไปไหน จะตายหรือว่าใครนำไปเสียแล้วคนไดเป็นแม่นมันพนา ง, งยืนดีบเสด็จไปอย่างอาสมทรงเห็นพระสวามีประทับนิ่งอยู่แต่หามีพระราชกมุมานทั้งสองหยุดด้วยใหม่นะยังได้ทูลถามว่าแค่แต่พระองค์ลูกรักทั้งสองหายไปไหนเสียใครนำไป หรือว่าวิ่งเล่นอยู่ในที่รับที่แห่งแห่งหนตาบลใดหรือว่าถูกนกใหญ่จับเอาไปเป็นอาหารหรือหรือว่าเป็นประการใดจำนประเจ้าข่าตอนนี้กรรมมาถึงพนางมัสยิดแล้วพระแม่เส้นดอนไม่ทรงจตอบประการใดพนางมสยิถามเทไรก็นิ่งเฉยอยู่ พระนางที่ได้ส่งนาพันต่อไปว่าเหตุเช่นไหนพระองค์จึงไม่ทรงตรัสแก่กมอมชันกลัดทำให้มมอมชันยิ่งปวดร้าวใจมันหนักยิ่งขึนถ้าเป็นอย่างนี้มาซีก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะในดีสุดเลยพระท่านดอนนี้ตรัคคสคาคาแซงทำให้ตัดพ่อต่อว่า ตอนนี้นะตามพระบาลีนะัะสื่อนี้นะหดหดนี่ต้องสือนี้ต้องเขียนว่าเรื่องพระเวชสันลุมไม่ใช่เรื่องพระเวชสันดอนท่านดอน้ก็ต้องงอกขึ้นแกตัดสลุ่มไปหมดไอ้ของที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ทําให้มีไม่มีประโยชน์เป็นอันว่าในที่สุดพระเวชสันดอนท่านกล่าวในตอนนี้พระเวชสนดอนคิดว่าถ้าเราจะบอกกับเธอดีๆนี้ ความเสียใจมันปรากฏเมื่อความเสียใจมันปรากฏดีไม่ดีพ น, นางมัศย์จะขาดใจตายก็ได้ทางที่ดีเราจะต้องทำให้นานีเกิดโทสะมีความโกรธถ้าเกิดโทสะมีความโกรธอารมณ์ต่อสู้มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงแล้วเธอก็อาจจะอาศัยความโกรธยันไม่เือตายไว้ก่อน ี่เป็นความดําริของพระเวสสันดรตามรับาลีท่านก็กล่าวไว้ขอว่ากันตามหนังสือนี้ตอนไหนก็หายไปก็ เ, เติมเข้ามาในที่สุดพระเวสสันดรนี้ตัดเป็นแกล้งพูดนะให้พูดตามความเป็นจริงใจแกล้งพูดทําเป็นการตัดเพ้อต่อว่าว่าเจ้ามัสีผู้มีลูกน้ำจะไหนวันนี้จะนี่กลับค่ำเลยจ๊ะ ไม่ห่วงลูกไม่ห่วงผัวใช่ไหมเลยมาตกทุกข์เลยยากอยู่ด้วยกันเป็นทน่านี้ก็ยังจะมาริประพฤติไม่ดีคือไม่ดีไม่ชอบอยู่เลยในพูดแบบนี้ก็หาว่าพันนางมาสีนะ่ะไปมีชู้กับใครในป่าพันนางได้สดับดังนั้นฟังแบบนั้นแล้วใจหายวา่าเสียวในใจคข้าสายฟ้าฟาด จิงนี่รีบกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดและก็ทรงเล่าเหตการณตามที่ดาดับมาตั้งต้นจนจบตอนท้ายจึงทึงว่าพระองค์ได้ทรงเห็นสงฆ์ ม, มารบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะ <c oughs> ขอเรื่องโปรดช่วยบอกอยาทรงหลอกมัตซีเรื่องนี้เลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> มัตซีก็รู้ <c oughs> เอาเรื่องก็มาพูดทําไก่ทาไก่หาหาเรื่อง เมื่อเห็นว่าพระราชสวามีไม่ยอมตัดอะไรพระนางยิ่งได้ถวายบังคมลุกจากอาสมเข้าไปในราวป่าเที่ยวส่อแสวงหาต้องเรียกนล้องเรียกไปต่ไปตามเรื่องแต่ในที่สุดก็ไม่พบประสบเห็นหน้าก็กลับมาหาพระราชสวามีเมื่อพระสวามีไม่ยอมตัดอะไรก็สิ้นสุดกลับไปอีกคนไปคนมาคนทุกจุด ม, มันจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ที่ไหนในกดดีในสะในป่าในห้วยลงไปหมดดาสศรีกาหิวมาตั้งแต่เช้าไาาม่ได้กินอะไรมาโหนด้วยหิวด้วยเสียใจที่ลูกหายไปไปมาถดงสามคราวก็พอดีราตรีสิ้นหมาหมดคืนเลยวันไม่ได้พักทั้งวันเสียใจเหม็นลูกเสียใจผัวไม่พูดด้วย แล้วก็แสวงหาลูกหมดทิ่นหน่นตลอดคืนทังก็สลบก่ตอนนี้พออรุณขึ้นก็เริ่มใช้ข่าวฟ้าพระนายเสด็จ ก, กลับมาพ <c oughs> สะด็จกลับมาที่อาศมทรงข้ามควรวนไปประหนึ่งว่าดูฮ้าไทยจะสลายลงในที่สุดด้วยความในอ่อนหรือกำลัง <c oughs> แต่บอกความเลยอ่อนหรือกลังด้วยความหมดหวังประดังเข้ามาหรืประกอบด้วยความเมินเฉยของพนักจะสวาวมีพนางมัสสีก็ถึงวิสันตีภาพสลบลงตรงพระบาทธมุนคือใกล้เท้าเขาพรเวสสันนั่นเองอรบรรดาแทนพุทธบริศัทธ์ทั้งหลายโดยทุนนาพระนางมัสสีสลลบเสื่อมนี่นะ แต่ว่าวันนี้คนแกแก้ไม่ทันไปตามหมอไม่ทันเวลามันหมดพอดีวันนี้ก็ต้องขออยู่เพแต่เพียงเท่นี้เอาไว้วันหน้าคอยรักษาพระนางมัตีหายจากสลบสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอบรรดาท่านพระธรริษัททุกท่านจงมีได้วความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลและก็จงเจริญไปด้วยจัตุรพิทรพนชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุ ข, ขาพระละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสูงความพัฒนาจงทุกรืง ก, การสวัสดี